มีใจได้เจอปีใหม่ทีนึงหาจะไปเดือนสอเดือนเนาะคนไม่หายไปไหนมากก็แต่คนก็ทำหน้าที่ของของเราทำหน้าที่ทางโลกเกี่ยวข้อกับโลกเกี่ยวข้อกับการงานแต่คนก็ไปทำหน้าที่ทางธรรมควบคู่กันไปด้วยก็คือ บาคนเพิ่มเรื่องดุลังคนก็ได้ไปปฏิบัติธรรมบางคนก็ปไปแกนกระทั่งอยู่ที่บ้านก็เราก็ต้องทําคู่กันเนาะสิเพราะเราเป็นคารวาสหน้าที่ทางโลกเราก็ต้องทําำจริงไม่ได้แต่ก็ต้องดูว่าอันไหนมันเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นส่วนหน้าที่ทําทางธรรมะเนี่ หน้ี่สามธรรมะไม่ใช่เป็นสิน่งใช้กดบ่าทสำหรพระอับที่คนอยู่วัดเท่านั้นนะหน้าที่สามธรรมที่มาพูดถึงนี้คือการดูแลจิตใจของตราเองนะเรามีร่างกายเราต้องหาอาหารต้องหาเสื้อผ้าต้องดูแลร่างกายเป็นเรื่องของจิตใจล่ะเราได้ดูแลจิตใจของเราทุกวันทุกเวลาหรือไม่อันนี้คือหน้าที่ที่เราจะไปหวังเพื่อคนอื่นใมันช่วยไม่ได้นนะ พ่อแม่เขาเรียกูเรามาเป็นโตขนาดนี้นะท่านต้นช่วยดูแลกายนะคุณครูให้ความรู้นะรั ฐ, ฐาบาลแล้วสังคมก็ให้สนวะัสดิการให้การดูแลเปราะบางของเราในระดับนี้แต่จิตใจเนี่แหละนะคือสิ่งที่เราต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุดพึนะ่งจิตใจตัเองได้หรือเปล่าเราต้องการมาถามตัวเ อ, ง, องนี้มาก จิตใจมันคอยสุขคอยทุกเดี๋ยวดีหรือร้ายนะเราเคยปรับเปลี่ยนแก้ไขมนได้ไหมท่า น, นี้คืนติที่เราต้องกลับมาตรวจสอบนะจิตใจที่มันเคยทุกมากๆมันเคยมันทุกขน้อยลงแล้วหรื อ, อยังจิตใจที่มันโหนไปมากๆเป็นนานมันหลงตั้นหลงหลงแล้วหรือยังนี่เราต้องทำหน้าที่เราตรงนี้นะนะ การที่การธรรมก็คือการหน้าที่ในการตัวแลจิตใจของเราเองนี่แหละให้ดีที่สุดส่วนที่จะช่วยให้เรามีการดแลจิตใจให้ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็มีหลายรูปแบบบางคนปฏิบัติธรรมในการรักษาศีนีัก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างเบื้องต้น สิ่งที่เรารักษาอาจจะเป็นสิ่หน้าเป็นสิ่งแผลเนี่ยคือการเป็นบาปธรรมกันนะเพราะว่าอะไรทีกิเลนนะ่ะมันมันก็อยากจะให้เราอพูดไม่จริงนะเพื่อหวัง็นประโยชน์เพื่อกลัวหายหน้านี่เท่ากิเลนนะต่อกเราต้องพิสูจน์ความจริงไม่โกหกนี่ก็เป็นการเป็นบาปธรรมมันถึงกเกลียดนะหรือบางทีพุชชาหรือหลายๆคนคิดว่า ส้อเข้าสังคมก็อกินต้อโมยานะต้อตโอต่อตามสังคมไปแต่การก้าที่ยืนยันว่าเราจะไม่เกี่ย ว, ว, ว, ยวยขวอวกก้องกับกรติดติอะยุก็เป็นความเรว่องที่ชัดเจนของเรากันนะเป็นการตั้งใจที่จะรักษาทีนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพรา ะ, าระว่าอะไร่างทีเลของเอาหน่อยนะานะสักหน่อยนะ่ะสักหน่อยสนะักหน่เดี๋ยวก็กลายเป็นตะิดนะติดแล้วก็ ตอนนีいい้ต้องกมัคลก็อยากเองก็มีไม่แต่เรื่องการทำร้ายคนอื่สปิดซื่อ็ดีนะอ่าต้องมันต้องเป็นการปฏิบัติธรรมอกันนะอย่างเช่นถ้าเราไปอยู่ในที่ว่าหรอไปอยู่ในที่อยุบปัดมันเจ็บนะการตบยุบสิดหมมันทร้ายเรากรมันทาร้ายเรากแค่ผิวนังนแต่เราทำร้ายเขาถึงตายเลย หนกันนหนกกว่ากันนะหรือบางคนหลงไปมากกว่านั้นเนาะหญิงตัดร่างตัดตู้ความสุนายนี้กออ็ก็คือการที่เราไม่ทําร้ายสิ่งมีชีวิตนี่ก็คือการปฏิบัติธรรมกันอันนี้ไม่รวมถึงการหญิงผิดูปผิดเมียก็ะยื น, นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่มันกระทบเนาะคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างน้อยเริ่มต้นเรื่องการศึกษาสิ่เนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าอะไร สิ่นนี่นํามาสร่งความวมิุกนะบางทีนะความวิุกในะที น, ะ น, น, นี้มันมันง่ายเพราะว่าอะไรเพราะเวลาเราคิดที่จะไปทําคนอื่นให้เกิดสวัสดิ์นี่ยมันทุกข์นะอย่เนะช่นเราโกหกใครไว้เนี่ยมันต้องคอยเก่านะเจอนายกรเนี่ยโกหกเขาไว้อย่างนี้นะเราต้องคอยหลอกเขาได้ไปนะเจอนายขอไปโกหกเ้าอีกนะแล้วก็ทุกข์ร่ำไปนะ มันกับคนมีกิจอยู่เนะ่มันก็ต้องคอยแบบหลบนะไม่ให้มีเรืงรู้ไม่ให้กิจคนที่หนึ่งรู้มีคนที่สองนะนี่มันต้องปกติต้อนเล่นความไม่ดีของตัวเองอยู่แล้วไปมันทุกข์นะมันทุกข์นะที่จริงเนี่ยการรักษาสี่นี่ก็ทําให้จิตใจมันไม่ทุกข์นะแต่บางทีมันไม่ได้เป็นแค่ว่าเราไม่ทาความชั่วแล้วมันเดอ ไม่ทุกข์ตลอดนะแม้บางทีเราทำำําททควมมคออามดีใช่ไหมทำสิ่งที่เป็นกุศลบางทีก็ยังทุกข์ใช่ไหมเราทําบุญทาทานเราเื่คอคนอื่นแต่ถ้าระวางจิตวังใจเราไม่เป็นดีมันก็ทุกข์ทำไปแล้วทําไมเขาไม่เห็นดนะีไม่เห็นว่าเราทําดีทําไปแล้วทาไมเขายังทํานิติดเตียงยังวิจารณนะทําไปแล้วทําไมไม่มีความสุขนะทําไมเฉยเฉย ทำไมก็ทุกอยู่บางทีเนะี่ยถ้าเราวางใจไม่ดีแม้แต่การทําความดีมันก็ยังทุกใช่ไม้มเลี้ยงลูกโอ้เลี้ยงดีดีนะแต่ลูกก็ยังเกเลรลูกก็ยังไม่เชื่อฟังลูกก็ยังไม่รู้จักทำมาคารวัตทํางดีน้อเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทุกใช่ไหมทุกใจลูกยังให้เป็นดีอหรือแม้แต่บางทีดีแล้วก็ยังทุกนะ เห็นลูกข้างบ้านก็เรีนเก่งกว่าเห็นลูกข้างบ้านก อ, อดูรับผิดชอบดีกว่าก็ทุกทำในลูกก็ดีมันกับคนอื่นบ้าเนี่ยถ้าเราบางใจไม่เป็นนะก็ทุกนะแต่ถ้าเราบางใจเป็นอ่าแต้วก็ค่อยทำหน้าที่ของเราไปแล้วก็วางความคาดหวังบางความทุกใจไปด้วยมีกระดานนะเราช่วยเหลือเพื่อนเราช่วยเหลือดูแลคนอื่นที่เก็บไข้ด้ช่วนยนะ แเราก็ดูแลให้ทาแนะนําไปแต่อเขาก็ต้องมีหน้าที่ดูแลการยใจใจเขาไปด้วยเนี่ยก็เราก็ต้อง ท, ทําหน้าที่แล้วก็ทําสิ่งที่ดีอย่างมิทุกชใใัยด้วยอันนี้ก็คือการประโยชน์ธรรมนะถ้าเราทําดีแล้วเราไปยึดว่าเราเป็นคนดีเราทําดีแล้วทำไมไม่มีคนตอบแทนทําดีแล้วทำไมอ่ไม่มีคำชมมันก็ทุกนะ อันนี้เราก็ต้องแม้แต่การทำดีก็ดีนะห่ อ, อเขียนต้องบอกว่าทำดีดีทำชั่วชั่วนะแต่ส่นเราจนะได้ยินนะทาดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะแต่างทีเรากจะมีตำปานในใจบานะงทีคนทำชั่วคนโกงกินคนนะเล่นสบายมุกทำไมเห็นได้ดี่มไปนะดีทางโลกแนละ้นะนะเป็น มีตำแหน่งใหญ่โตมากมายเงินทองเยอะแยะนะอันนั้นก็ได้ดีทางโลกทําไมพระธรรมคุณช่วยก็ได้ดีทางโลกนะแต่จริงถ้าเราอันนั้นเรื่องของผลของกรรมนะผลของกรรมบางทีมันยังไม่ส่งผลก็ได้แต่จริงอาจจะส่งผลเรื่องของทุกข์ใจของเขาทันทีแล้วก็ได้นะแต่เรื่องของฐานนะทรงโลกก็ยังมีเรื่องด้วยปัจจัยอ่ ก, ก็ได้นะแต่จริงถ้าเราทําดีเนี่ยถือว่าดีละจบสบายใจแล้วะ พอใจละทาชั่วนอ า, นาทุกใจพอละแก้ไขจะทําดีใหม่จะไม่ทำชั่วละอันนี้มันดีละอันนั้นการรักความชั่วการทําความดีนะมันเป็นสิ่งที่ต้องพวบคู่ ก, กับการทําจิตทำใจให้มีช่วยะการทําจิตทำใจให้ปล่อยว่างให้ไม่ทนะุกท ก, ทกับสิ่งที่กระทําด้วย คือมันมีแตการกระทำแต่ไม่ไปยึดว่าตัวเราเป็นผู้กระทำมันมันขัดกับความรู้สึกนะเพราะพอเดียวรู้สว่าเราเป็นคนทําเราเป็นคนพูดเราเป็นคนคิดแต่ถ้าเราปฏิบัติทำไปเรื่อยนะมันจะมันจะแยกความรู้สึกออกมาอันเนี้กายมันทำอันเนี้ยกายพูดอันเนี้ยใจมานคิด ใจมันรู้สึกนะมันจะรู้สึกถึงความเป็นเราเนี่ยมันจะน้อยลงไปมันจะห่างออกไปนะมันจะรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายตายมทุกข์กายสุขการมันเก็บขึ้นเรื่อยๆกายมันแก่กายมตายจิตใจยังสบายอยู่จิตใจเป็นอิสระอยู่จิตใจเป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกันอยู่ แต่มันรู้กันอยู่นะแต่จริง ว, ว่าเป็นสระไม่เอาตัวเราไปเป็นผู้สุขผู้ทุก ข, ข์กับเรื่องของกายไม่เอาตัวตนไปแบว่าเป็นชั้นสุขชั้นทุกข์ชั้นดีใจชั้นเสียใจมันเป็นแคตอาการเกิดขึ้นกับจิตใจอันนี้คือการมีสตินะแต่แยกแยะตรง น, นี้แหละแยกแยะว่าธรรมชาติของรูป ก็คือธรรมชาติของกายมันเป็นเช่นใดธรรมชาของนามธรรมนามธรรมนี้ก็มีหลายอย่างคือจิตใจจิตใจคืออสิ่งที่คอยรับรู้อารมณ์นะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็คือเช่นความคิดหรืออารมณ์นี่ยมันเป็นคนส่วนขั้นนะเหมือนกับแก้วน้ํากับน้ํานะแก้วน้ําเปรียนเหมือนกับจิตใจ ความคิดหรืออารมณ์เปลี่ยนเสมือนกับน้ําำมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันไม่คงที่มันไม่แน่นอนนไม่จะเป็นต้องไปทุกข์ไปสุขกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นะที่มันเกิดมาชั่วคราวแล้วก็จับไปอันนี้คือการมีสติการมีปัญญาที่จะทําให้เราเห็นความจริงตรงนี้แล้วทําไงล่ะเราึงเห็นความจริงตรงนี้บางคนก็ติดฉา ทำไมพุทธ ก, การฟังธรรมปุ้กผู้ธรรมปั๊บนะทันทีไม่ต้องปฏิบัติให้เหนื่อยยากลำ บ, บากแต่เราภาวนา ม, มาหลายปีทาไมยังขุกยังเระห์ระเลนเหนื่อยยอเลยนะมันอย่าไปเปรบ เ, เทียบยนานะค่่อยค่่อยปฏิบันะบติไปนะฟังธรรมก็มีส่วนทาให้เราเขใจมากขึ้นแต่ตอนนี้เรากลับมาดูกายดูใจของเราแล้วแมาถึงนนให้เราเข้าใจความจริง สิ่งที่จะทําให้เรารู้รู้กายรู้ใจของเราคืออะไรคือการทำความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวทําแบบไหนความรู้สึกตัวคืออะไรความรู้สึกตัวคือรู้ว่าตัวก็คือรู้ว่ากายรู้ว่าใจกันเนี้ยมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นที่จริงความรู้สึกตัวนะมันมีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราลืม สังเกตเขาอย่างนั่งอยู่กับเนี่ยก็รู้ตัวว่านั่งอยู่ะยกมือก็รู้ว่ายกมือหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกมันเผลอไปคิดนะไม่ว่าจะคิดตามคำพูดของกันมาก็ดีหรือวกิดไม่คิดออกไปข้างนอกเลยก็ดีรู้ทันว่ามันเผอไปอันนี้ ก็สิ่งตอบรู้สึกตัวแล้วนะนาการทำน้นสึกตัวเนี่ยมันจะทำให้เรามีสติเกิดขึ้นมาแต่ตอนนี้นะการทำน้นสึกตัวที่เรียกว่าถูกต้องจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะการจะทาให้เกิดความรู้สึกตัวที่รู้จริงๆนะเพราะว่าอะไรบางทีเราก็อบอกว่าเรารู้สึกตัวนะแต่มันมีตัวตนเข้าไปเป็นผู้รู้นะ มีตัวตนเข้าไปอยู่กับอาการที่ที่มันรู้บางทีคือแต่ทุกอย่คือว่าบางทีเรารู้แบบเราตั้งใจมากึกไปรู้แบบเพ้งแบบจ้องแบบกนหนดมากึกไปอันนั้นก็เลยยังไม่ได้เป็นการรู้สึกตัวจริงๆนะอืมเพราะอะไรบางทีหลายคนเลยปฏิบัติตามมาบางทีเรามักจะส่งจิตส่งใจไปตรงหนด ในการเดินในการนั่งในการยกมือในการหายใจในการบริกรรมคือเรียกว่าเราเอาใจของเราเป็นแน่อยู่กับสิ่งที่ทำนะแน่นะก็คืออาไปกาะไปเลยกลัววมันจะไม่รู้ตัวกลัวว่ามันจะหลงไปอันนี้ก็ยังไม่ใช่การรู้สึกตัวอีกทนะีอันนั้นเรียกว่าเป็นการทำแบบสมาธนะิทําแบบเจุดจอแบบจุดจอ้แบบจดจองแบบ ก็ดีไหมดีนะดับสมาธิถ้าตอนนีน้มันรู้กับการเคลื่อนไหวออของมือของเท้าของลมก็ดีหรือการบริกรรมพอดีรู้ไปเรื่อยจ น, น, น, น, นถึงการเคลื่อนตึงาตรงนั้นมันกลายเป็นการก่อให้จิตใจมีความสงบมีความสงบมีความสบายจิตใจก็คอยดีดพัดไปด้วยแต่บางที มันก็ไม่สบายมันก็ฟุ้งท่านไปเราต้องรู้สึกว่ามันไม่ดีอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการไปกําหนดเป็นการไปสวนคบเป็นการไปจ้องไปกจดจอคไปอันนี้ยังไม่ใช่การรู้สึกตัวอดจริงๆนะหรือบางทีเราจะปฏิบัติในรูปแบบนตั้งใจทําในรูปแบปแบแต่จิตใจมัฟุง้งซ่าจิตใจมันเรียกว่ากระเดิดออกไปไกลออกไปนาน นั่นนาอันทีก็ากลับมารู้ตัวนันนาอทีก็รู้ว่าเธอเองก็เกิดไปอันนี้ก็เป็นการปรงตั้งไปอันทีู่้วการต่อเนื่องความเติบโตในต่อด้านคือตรงนี้แหละนะคือการที่มันตั้งใจมากเกินไปอ่มันอยากจะดีแต่พูดยไงว่าติดดีก็ได้นะติดดีหรือว่าติดความสุขติดความสมบูรการมาสุขการนิยโตก็คือตรนี้แหละนะไม่ใช่แค่ความพอใจในกาง ลูกก็กินเสียงภายนอกนะั้นแต่นจริงมัรวมถึงความพอใจในการมณ์ภายในใจด้วนยะอารมณ์ภายในใจที่มันมดีๆเนี่ยมันเกิดความติดใจมีความพอใจอนะอ่านะมันเหมือนตันนะ้งแต่เราเราติดรสชาติของอาหารอนะ่ะโอ้จานนี้อร่อยก็ไปกินดีกนะอย่างเนี้ยเรียกว่าอร่อยจดจำไม่ได้อก็อย่างนี้เรียกว่าอร่อย ถ้าต่างไปจากนี้ไม่จะ่อยแล้วนี่นีิการติดใจหรือรสชาติอารมณ์ก็เหมือนกันนะอย่างนี้เรียกว่าความสุขอย่างนี้เรียกว่ามันดีอย่างนี้เรียกมันสงบมันติดไปิล้ติดประทับไปในใจแล้วว่าอย่างเนี้เรียกว่ามันดีแบบจะเอาอีกอันนี้คือการติดใจเรียกว่าการประสบการณ์างโยคส่วนการตัดิ้มอทางโยกก็คือการที่ลำพางใจไม่พอใจน มันมันฟุ้งร้างไม่ดีมันคิดมากไม่ดีอ่ามันมีความโภมโหโกรธโกรงหลงไม่ดีกดค่มไว้ปฏิเสธเขาต่อต้านเขาผลักไปเอาอันนี้นเรียกว่าการว่าทรมานใจอทรมานใจให้มันให้มันไรีกว่าพ้นจากิเลสมันยังดีนะแต่นี่เป็นการไม่ใช่กพืเพื่อพ้นกิเลส น, นะแต่เป็นการกลัวกิเลสนะแล้วก็จะสุดความไม่ชอบกิเลส อ, อันนี้ มันเรียกว่าเป็นการทำตนให้ทาบากทำกายก็ดีทำใจก็ดีนะเนะ่เหมือนบางทีถ้าเราแบบถ้าเราไปคล้ายๆไปเกี่ยวข้องกับกิเ็สในทางที่ไม่ถูกนะมันก็จะสิดขันนะบางทีสิดขัดพยายามที่จนะขคงความคิดอย่างนลวงพ่เทียนเนี่ยบางทีท่านพูดว่ายิ่งคิดมากยิ่งดีนะดีไงเราก็ คิดมากมันเหนื่อยเนาะคิดมากมันไม่ดีสิเพราะปฏิบัติธรรมต้ได้ความสงบแต่จริงผมก็เะียองบอกว่ายิ่งคิดมากยิ่ดีนะดีก็อะไรจะได้รู้มากรู้ว่ามันคิดมากมันดีนะไม่ใช่ดีมันไม่ไม่จบประโยคน์แค่ว่าคิดมากก็ดีนะแต่ต้องรู้มากด้วยนะถ้าคิดมากคิดตั้งวันเลยไม่รู้ตัวเนี้ก็ไม่ดีนะแต่ถ้าคิดมากแล้วรู้ตัวว่าคิดมากมันไม่ดีนะ ดีนะแต่บางคนก็ไปสงสัยว่าไอ้ทำไมเราไมเหน็นคิดเม่เนความคิดเม่นคิดมากเลยก็ไม่ต้องสงนสัยนะถ้ามันรู้ตัวในส่วนของกายอยู่ก็โอเคเหมือนกันนะนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอันนี้คือถ้าเรารู้ตัวนะจะเป็นรูปกายก็ดีรูปใจก็ดีนะมันก็ถูกเหมือนกันอันนี้ดั น, นะนั้นการภาวนาเนาะการทรู้สึกตัวอย่างถูกต้องจริงๆก็ต้อง ทำแบบเรียกว่ า, าทางสายกลางที่ด้านสอนก็คือการวางใจกลางวางใจต่างๆนะให้เพ่งเป็นจะ้องนะเผลอไปก็กลับมารู้ตัวมาคือวางใจต่างๆนะกลางในต่างนะรู้กายก็รู้แบบไม่ได้เข้าไปอยู่นะตายก็เคลื่อนไปอีกสัวนหนึ่งจิตที่รู้ก็อยู่ส่วนห น, นะ น, นึ่งนะต่มารู้เรื่องใ้กันกายเพื่อน ใจรู้กายเพื่อนใจรู้ไปพร้อมๆกันะอันนี้คือกายจะทำอะไรก็ได้นะเขาใจคอยรับรู้ใจนิดนี้คือใจที่มีสติมีปัญญานะนะเรียกว่าเสดสติเสดปัญญาเกิดขึ้นที่ใจนะอันนี้พอบางทีใจที่รู้มันหายไปกลายเป็นแต่ที่เกิดไปคิดนะเขรู้ทันว่าใจบางทีมันเกิดไปคิด มีใจลงอื่นที่เกิดขึ้นใหม่ที่รู้ทันก็คือใบที่มีสติเนี่แหละอันนี้ตรงกลางเลยนะเหมือนคล้ายๆเนะ่ยมือธรรมะอยู่ตรงการนี่นะ อ, อันนี้เป็นเรื่องของกายใจและเหตุการณ์มันเคลื่อนไหวมันทํางานไปพอมือฝั่งนี้เป็นความคิดมันเกิดขึ้นก็มีสติคอยรู้ทันนะรู้ทันว่ามันคิดไปใจที่ตื่นปกติแต่ที่มีสติเนี่ยมันจะอยู่ตรงกางนะ ไม่เถลอเข้าไปอ่าจมอยู่กับกายไม่เผลอเข้าไปไหลไปกับความคิดอันนี้คือใจที่เรียกว่าเป็นปกติค่ะแต่ปฏิบัติแบบนี้เราจะบอกบางทีเราจะตั้งใจให้มันเป็นการตลอดเนี่ยมันก็จะพุ่งนะเป็นการบังคับเป็นการตะกอกบางทีมันเผลอไปคิดบ้างก็ไม่เป็นไรเผลอไปเพ่งไ ป, เ, เ, ปเจ้า บ, บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ให้เรากลับมารู้ัว สมารู้ตัวใหม่เนี่ยคือว่าใช้ได้แล้วนะใช้ได้แล้วอันนี้คือการทําความรู้สึกตัวนะเป็ น, นตัวปุจจัยสําคัญที่จะทําให้การภาวนามันจเจรินข้าวหน้าเลยนะนะไม่ใช่อพื้นฐานไม่ใช่แค่นั่งหลับตาหรือว่าเลอนมือหรือเลือนจังอกอนะแต่เราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติทำแต่วิธีไหนก็นแล้วแต่นนะอันนี้แหละคือการทำความรู้สึกตัวเนะี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เรา สติเกิดปัญญาสําค mm ัญมากๆการทคของตัวจะเรียกว่าเจริญสติก็ได้จะเรียกว่าเจริญวิปัสสนาก็ได้แต่ถ้าเรียกภาษาไทยนี่คือการทํำของรู้สึกตัวก็คือให้เรารู้ตัวนรู้ตัวว่าทําอะไรเมื่อทํำของรู้สึกตัวไปมากๆะสติก็จะเกิดขึ้นเองสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามลําดับไป อันนี้ถ้าเราทําไปเรื่อยนี่มันจะเกิดความเข้าใจในตรงนี้คลายความสง ส, สัยในสิ่งที่สงสัยไอสิ่งที่ไม่มั่นใจก็จะมีความมั่นใจนะอสิ่งที่ยังไม่รู้ก็จะเกิดกลายเป็นความรู้อันนี้แหละคือการเจริญสตินะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกตอนวัสองพันหกร้อปีปูบ่บาตการก็ได้ปฏิบัติแล้ก็สืบต่ อ, อกันมะาพวกเราเป็นรู้ศิษ รุ่มหลังก็จะไปเกลียดใจนะก็เกิดไม่ทันพเพราะพระพุทธเจ้านะยังเมืองไทยหือว่าในโลกนี้จะมีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นะยังสามารถกระพึิปฏิบัติได้นะไม่สายลงไปนะโยมนะอย่าไปคิดว่าคงเสียชาติแล้วคงไม่ทันการแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะที่จริงพระพุทธเจ้านะท่านสอน สอนเรื่องความไม่ทุกเนี่ยอยู่สองระดับสองระดับระดับหนึ่งคือว่าเราสา ม, มารถทําความไม่ทุกให้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ได้ก็คือใกว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวเนี่ยตอนนั้นนั้นก็เกิดความไม่ทุกแล้วน ะ, นะอันนี้ก็ระดับที่ดีม า, มากๆขึ่นควรที่จะทําทุกทุกขณะส่วนความไม่ทุกที่เรียกว่าเกิดทิ่งเชิง หรือาภาษาคัดียวคัดพินพาก็เกิดจากการที่เราระสมความไม่พุทธคือเล็กเกเร็ ก, เรกตัวนี้ไปเรื่อยๆกระทั่งมันเกิดปัญญาเห็นความจริงเห็นว่าตายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราจริตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราอันวางธาตุวางขันแต่ยังมีภาตุยัมีขันอยู่นะแต่มันวางวางก็เป็นตัวเราอันนี้แหละมันก็ถี่อันพินพานอันนี้คือเรียกว่าความไม่พุทธเพลินเชิงนี่เราจำ นี่คือชาวพุทธเาะเามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตคือสองรนะดับหนึ่งทำความไม่ทุกข์ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันสองทำความไม่ทุกข์ให้ถึงซึ่งความคนทุกข์เกิดที่เชิง อ, อันนี้จะมาว่าน่าจะเป็นเป้าหมายชีวิตเรานะอ่าในไหนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีเนาะอยางให้เกียรชาติเกิดถ้าเกิดมาแล้วเพียงเพื่อให้ได้กิน ได้ใช้ชีวิตได้หลับนอนนให้ได้มีการงานให้ได้มีการศึกษาให้ได้มีครอบครัวให้มีลูกมีหลานสุดท้ายก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปเงินทองที่หามาก็เมรดเจ้าไปได้สล้วก็ข้าวที่ดูแลมีขนาดไหนก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายชื่อเสียงชื่อเยอมีมากขนาดไหนสุดท้ายคนเขาก็ไม่ค่อยพูดถึงก็ไม่พูดถึงันสื่ต่อไป ตำแหน่งหน้าที่ที่อยากจะโตขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็กต้องเปลี่ยนก็ต้องหมดหน้าที่ไปมีอะไรติดเี่เยงแท้แน่นอนที่จะเอาไปได้เนาะงานติดที่เป็นวัตถุภายนอกแต่เราก็ยกังต้องในช้มันเราก็ทำํทำทําหน้าที่ไปอยู่แต่อย่าไปยึดติดกับมันแต่สิ่งที่จะทําให้เราเรียกว่าติดติดตัวติดใจไปเรืงนานตัวนั้นก็คือบุญกุศลหรือว่าสติปัญญาเ น, นะ่ยะ แม้ชาตินี้เราจะฝึกขัดเป็มที่แล้วมันยังไม่คน้นเรื่องความทุกข์แต่จิตที่มันเคยฝึกขัดตรงนี้อยู่เนาะมันก็จะเรียกว่าเกิดการพัฒนาไปเรื่อยเป็นคล้ายเหมือนแรงบูด์ที่จะทำให้เราเข้าถึงตรงนี้นามากขนได้รอยอยู่นี่เป็นดิที่เรียกว่าบุญกุศลหรือการฝึกอัตถวานะมันข้ามภพข้ามชาติ มันกับที่เราไปได้ยินพระพุทธเจ้าทําบังเพบบารมีมาเยอะเท่าไหร่ระหนะแค่ในาใใ500ชาติใหญ่ๆก็ห้ารชาตินะโปรพิสัตว์ห้ารชาติหรือว่ า, าใกล้ๆก็ทิบชาติที่ท่านบังคับบารมีนะเป็นโพรพิสัตวนะ์ทานนั้นบารมีบ้างศีลนั้นบารมีบ้างปัญญาบารมีบ้างปัจจาร บ, บารมีบ้าง ก, ก็คือ การลงเอ e l พอติโพ ธ, ธิสัต์ซึ่งไม่ใช่ว่าท่านจะบงเกิ l ใช่ท่าสุดท้ายเท่านั้นแต่ท่านมาลงเกมากกว่ามากกว่าหลายร้อยหลา ย, ลา ย, ลายพันชาตินะ่ะอันนี้ก็เสนอจการสารัดต่ไปเรื่อยๆตัดต่อไปเรื่อยเป็นสิ่งที่สำคัญนะมันก็ตรงกับสิ่งที่ครูบาบาจารย์สมัยนี้นะท่านก็พูดทัานมองเด็กันนะ เมื่อตอนเดือนที่แล้วไี่เดือกากไปไปที่อินเดียได้ไปฟันะ ง, งคงเดวีอามันะเขเป็นผู้นำ ท, ทนดีจริงของชาวทิเบตแล้วก็กับคนที่สนใจในทางพืชศาสานาหลายท่านก็ครู้จักแล้วก็ศึกษาท่านนะได้ไปฟังในเรื่องใดในวงเนวนาตอนนั้น้าเป็นการประเมิหัว ข, ข, ข้อเรื่องหนึ่งจุดหมายหลายันทางนะ คือวัตัุนามางทีพอนานไปนะมีเหตุรว่ามีมหายางมีวัชรยามมีตำาหน่งคบาอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้นะมีเสื้อผ้าหลากสีมีข้อวัตปฏิบัติแตกต่างกันไปแต่จุดหมายร่วมกันคืออะไรก็เลยมาคุยกันองค์ายมาท่านพูดดีนะต้องบอกว่าการปฏิบัติแบบของท่านหรือที่ท่านเข้าใจเป็แบบ ของมหางาณคือบอกว่าอโพโพทิสัตว์เนี่ยคือคือมรรค า, าส่วนพุทธคือผลอคือการใช้วิถีวิบัติโพทิสัตว์เนี่ยคือมรคือวิธีการส่วนผลที่เกิดขึ้นก็คือพุทธก็คือการเป็นพระเจ้าอันนั้นถ้าเรามองในแง่ของการที่จะบรามาเป็นการเป็นพระเจ้า เขาต้องเป็นโภทีิสัตถ์พรมันก็ใช่นะมันก็ใช่ในทางหนึ่งแต่ถ้าเรามองเป็นส่วนของการปฏิบัติของเรานะการมองเปนแบบโภทีิสัตถ์ก็คือการเป็นบารมีอาจจะพูดของเราก็ได้นะถ้าเราถือว่าเป็นมรรคก็ได้นะคือเป็นวิธีการก็ได้นะส่วนความเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราเก็บให้มันใกล้ขึ้นมาคือสพระคุทธทัศ ที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันก็สามารถเกิดได้ถ้าเราเอาใจว่าการบําเพ็ญบารมีต่างๆนะจะเป็นทางบารมีก็เป็นการบําเพ็ญบารมีเพื่อให้เกิดพุทธะในจิตใจเหมือนกันการรักษาถิ่นนะก็เป็นการบําเพ็ญบารมีเพื่อเป็นให้มีพุทธะในจิตใจเหมือนกันการมีขันติมีปัญญาก็เป็นการบําเพ็ญบารมีเพื่อ เกิดพุทธในจิตใจเหมือนกันดังนั water, ้นถ้าเรามองแบบนี้นะบางคนอาจนี้ย่ปฏิบัี่เป็นรโคฟิเจ้าแต่ถ้าเราบำเป็นบารมีพวกนี้อยู่เราก็จะมีพุทธะเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะเนี่ยถ้าเราสามารถบำเพ็ญเป็นเป็นโพฟิสจัดเนีโพฟิสจั์เพื่อที่จะกดเครื่องความทุกข์แก่ตรบสัตว์ในโลกนี้ก็ดีหรือว่าเป็นโคฟิสจั์เพื่อจะกดเครื่องความทุกข์ เป็นจิตใจของเราเองก็ดีนะเราก็สามารถเกิดผลคือสภาวธรรมพุทธะบางคนอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนาพ้ก็ได้บางคนนะอาจจะถึงขึ้นความพ้นทุกข์ในชาตนี้หรือชาตงาน้ากดก็คือมีสภาวรรพุทธะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเรามองแบบนี้นะการที่อะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราแล้วเราถือว่าเหมือนเป็นการบำเพ็ญบารมีนะ มันก็จะทําให้การมองสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นกลายเป็นการมองเป็นบทเรียนเป็นบททดสอบเป็นสิ่งที่จะมาทําให้เราเกิดความเข้มแข็งในจิตใจมากขึ้นนะมันก็จะไม่เกิดกลายเป็นมองมองที่เรียกได้ว่าเป็นตัด้อหรือเป็นต่อตา้านทําไมนะถึงชีวิตนี้ถึงลําบากทาไมถึงมีคนมาด่าทําไมถึงมีความปุ๊บของร่างกายมากมายเลือเกิน นะมันก็จะไม่เกิดคำถามว่าทำไมถึงเกิดเรื่องต่างๆนี้นะแต่มันจะมองว่าก็ดีนะจะได้เป็นการสุขพันธ์ตนโรคภัยที่เจ็บมากๆ ก, ออก็ดนะีจะได้เป็นการเตือนตัวเองให้ไม่ประมาณทนะแก่แล้วก็ดีเป็อนตัวเองว่าใกล้จะไม่มีชีวิตแล้วนะจะได้ควาตอวามเพียรความความดีเต็มทีออนะนะอันนี้ก็คือเป็นการไม่ประมาณ มีความทุกข์มีปัญหาเออก็ดีก่อนที่มันไม่มีปัญหาเนี้เราก็ตกตะลินกับโรคตะลึงตอนสุกข์ตอนสบายนี้ก็คือธรรมะนะตอนทุกข์ท้อีก็ใปล้เสนใจธรรมะใช่ไหมถ้าเรามองแคดีนะมันก็ดีนะทำให้เราได้เรียวกว่าได้บำเพ็ญบารมีเพิ่มไปเรื่อยๆอันนี้นะนี่ถ้าเราลองชีวิตเป็นแบบนี้นะชีวิตของเราก็จะไม่ประมาณ แม้ชีวิตมันจะราบรื่นดีแม้ชีวิตมันจะมีความสุข ด, ดีก็ อ, อย่าลืมปัญญาวารณีเหมือนกันนะในการที่จะไม่ประมาทในเรื่องของสำคาญคือรางกายจิตใจทําอย่า ง, ง, งไรเราถึงจะไม่ทุกข์หรือที่เชิเราก็ต้องทําความเพียรเป็นความไม่ประมาทต่อไปอันนี้แหละก็นักคิดว่าอยากจะฝากพวกเราไว้นะน่าจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเราเจิญเมตงามขึ้นไป เรื่อยๆนะในการทำซองรู้สึกตัวนะเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาหรือว่ามีปัญาหาเกิดขึ้นมาบีกทีเราก็ให้ถือว่าเป็นบททดสอบหรือว่าเป็นบทเสียนเป็นแบบสึกหาดที่เราจะทำให้เราเกิดนะเกิดบารมีมากขึ้นนะเกิดบารมีไม่ได้เป็นอปวดอะไรนะแต่เกิดบารมีเพื่อที่จะบงเก็นผลทางสู่ความไม่ทุกข์ ให้เกิดพลุทธัเกิดขึ้นในจิตใจหรือเกิดพลุทธักเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจาความทุกข์ด้วยอันนี้คือสิ่งที่ชาวพุทธพวกเราน่าจะมาโลกกระทำเนาะน่ะอาจจะมาสัมผัสการตุ้มก็น่ะจะจะมาเป็นเพื่อนพวกเราในการแนะนำแล้วก็เป็นเพื่อนปฏิบัติน่ะเป็นการแอมิสเหมือนกันนะการแอมิสที่จะเดินถามออกจากความทุกข์เหมือนกันนะไม่ใช่นะ คะแนนนิสิตที่จนะคงไม่ตั้งใจที่จะเรียกว่าบอกทางที่ถูกนะทางที่ได้เรียนได้สอนจากครูบาอาจารย์จากคำหลักคำดาที่พระพุทธเจา้าท่านบอกไว้ก็เป็นทางที่อันบาย่อยสู่พวกเราทีทีนึนะ่งหรือบางคนเคยทาได้ก็คก่อยๆขึานมาฝึาากกานต่อเนาะนะ วันนี้เราเข้าจขนานี้แต่ถ้าเราคุยกันไปเรื่อยก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นไปเรื่อยแหละนะถ้าดังเดินถูกห ล, นะลักนะแต่ถ้าเราเดินอผิดดับไปนะก็จะค่อยๆตรวจสอบก็จนะให้เราได้กลับมาหาดักที่เราเดินได้นะแล้วก็จะให้จันตรุ่มน้องให้สื่อเกี่ยวกับเราด้วยแล้ก็แนะ น, นําในการปฏิบัติ พวกเราด้วยนะการนี hmm. uh, ้มันครับขอขอบคุณ th ท่านที่ทอานที่ท่คนที่ยังไม่เสร็จเวลาก็ถ้าถ้ายังไม่ยวร็จเวลาอาจจะขออัญญาต มาทีนี้จะหนักหนีหนีเเป็นช็อตส่ดน้อยก็ราก็รย์ก็ให้ฟอมีใหม่ยน้เราแต่วาให้ฟ อ, อจะเริ่มต้นที่การในสมัยพุทธกาลอย่างาขาก็มาขออนุญาตพรทธคุณนี่ผู้จา ก, กรารอนุญาตให้ทำ ตรงนี้นะัก็คีการอ่าพอก็คือได้รับแนวทางในการเอาไปทานตรงนี้การปฏิบัติก็ดีการภาวนาก็ดีเรว่าเราจะจะี้ยงอะไรอะไรก็ตามเนี่ยสามารถเี้งเร็แล้วมันก็จะเลี้องมาข้บนเปากธรรมไปเ็ยธรรมดงนั้เดอตรงนี้ใครที่ปฏิบัติได้นะับ นะัเริ่ต้นเร่ต้นปปฏิบัติธรรมนะตรนี้ก so ็าเป็นเรื so ่องที่แบบาจะเป็นดาที่เป็นิีของพวกเราเป็นวิถีขอแล้วก็โดยส่วนหนของเรียนก็นะนําการปฏิบัติธรรมด้วยวิธีการใช้ความเคลื่อนไหวนี้นะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเราก็จะสามารถเรียกว่าระยุบเขา โรืการเคลื tôi tôi, tôi tôi, tôi không, tôi ่อหมหวในรูปแบบเนี่ยเป็นสูตรเรียกว่าการทำกิจกรรมต่างๆว่าการทาการทงานในชีวิตกิงง่ายๆังนั้นื่องตรงนี้ก็เรามีโอกาสได้ปฏิบัติทำกันถ้ามันเมื่อก่อนเวลาเราทางานบ้านอยากทำงานบ้านเะยรตนั้นก็ให้เรียกว่าเป็นเรื่องที่นี่ยเขจาใจง่าให้สิ่งที่เราได้เข้าไปคุบคุสิ่งที่เราเรียกว่า เป็นปัหาประเดเป็นความชอบไปดีนเป็นทุกเป็นสุขของเราอย่างเมื่อก่อนนะแล้วก็เลยมาตอนนั้นก็เป็นเสียเวลาไปแล้วตรงนี้เนี่ยเราให้เราพอเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่ยเรยกว่าเก็ปัจจัยใดๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเข้าไปเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมหมดเลยแล้วอ you know. <remind, S 2> oh, ันอื่นตรงนี้ถ้าเราไปเจริญโองการปฏิบัติปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันมาแล้วทีนี้คือการทไม่เป็นไรเนาะชยดึงดันเรื่องเดียก็มีโอกาสใหม่ ที่ผ่านก็้ามาตลอดเวลานั่นก็คือการปฏิบัติธรมที่อาสัยความเคลื่อนไหว็นเคลื่อนมือในการเจริญสติตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราได้เหมนเป็นอุปกรณ์ให้พวกเราได้ชั้หรือตลอไเวลานั่นคือตรงนี้ก็ให้พวกเราได้ปฏิบัติวยโอกาสกันนะชวยโอกาส ความความตีใหม่ที่เป็นจริงแล้วก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่กระชาย้อกมากับชีวิตนี้ของมันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราจะใช้ในกาคุ้มครองแล้วก็ชีวิตนี้ของมันก็จะได้ความแน่ได้เหมนกับได้พบี่เรียกว่าได้พบความสงบเย็นะได้พบความหมดทุกข์ได้พบความไม่มีทุกข์เหมนกันนะครับทุกคนนีในส่วนของของผู้ที่ยัง เลิกาหนึ่งเลทับยินดีอย่างิ่งนะแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็บบเห็นการที่หลับฝาหลับฝาเเรียกว่าคือเราเราได้ใช้การดีใจนี้นะบก็เรียกว่าอยาก็เรียกว่าใส่ิจใจนี้